ตอนนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกเป็นไงบ้างที่ว่าน่าจะดีขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นทั้งกายทั้งใจร่างกายที่อ่อนล้านะเมื่อคืนตอนนี้คงจะรู้สึกมีกําลังวังชาขึ้นที่เคยเมื่อยนะปวดนะก็คงจะทุเลาไปเยอะจิตใจก็เหมือนกันนะที่อาจจะรู้สึกกังวลรู้สึก แย่ yeah, นะตอนเช้าก็จะรู้สึกเบิกบานแจ่มใสร่างกายและใจคนเรานี่มันมีความสามารถในการนะปรับตัวได้ดีและยิ่งเจอหรือมีประสบการณ์มากขึ้นนะกับการฟันฝ่าปัญหาประสักต่างๆเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะถ้าหากว่าได้มีโอกาสพักผ่อนอาตมาเองเนี่ย บางช่วงเนี่ยมันรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกล้าเหนื่อยเครียดหรือบางทีรู้สึกสิ้นหวังแต่ว่าหลายครั้งก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันนะนะก็เพียงแค่นอนให้สนิทเพราะรู้ว่าถ้าหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะ บางทีเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแค่ให้กายกับใจได้พักผ่อนแล้วมันก็จะดีขึ้นเองไอ้ปัญหาที่หมอไม่เห็นทางออกมันก็เห็นทางออกนะอาจจะปริพินประพายเช้าวันนี้เนี่ยเราก็จจะเดินเป็นวันที่สี่ก็เป็นวันสำคัญนะเพราะว่า เป็นวันที่เราะจะเดินครบหน่งแสนเก้นะครเราจะทะลุแสนที่1นะไปสู่แสนที่สองจริงๆสามวันที่ผ่านมาก็9ก้าหมื่นเกแล้วนะวันนี้เนี่ยแค่เดินนิดๆหน่อยๆมันก็ครบแสนแล้วแต่เราก็ไมาหยุดแค่นั้นนะเราก็จะเดินทะลุต่อไปสู่แสนที่อสองสำหรับคนที่เดินมาตั้งแต่วันแรก แสนที่2งเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าแสนแรกเช่นเดียวกันกับหมื่นที่2เนี่ยมันก็ไม่ยากเท่ากับหมื่นแรกสำหรับคนที่เพิ่งมาเดินวันนี้วันแรกนะร้กหรือพันเแรกของเราอาจจะยากสักหน่อยหรือโดยเฉพาะห0 0แรกนะต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นก็ยังมีนะอีก หลายหมื่นเก้นะที่รอเราอยู่มันจะไม่ใช่มีแค่แสนที่สองยังมีแสนที่สามที่จะรอเราอยู่แต่ก็จะง่ายขึ้นแล้วนะเดินทั้งทีก็มาเรามาสะสม9ก้ากันนะที่ผ่านมาเราสะสมแต้มนะสะสม point กันมาเยอะแล้วสะสมแต้มมันก็แค่ได้แลกได้ของนะที่เป็นวัตถุซึ่ง ก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราสะสมก้าวแบบนี้นี่มันจะได้สิ่งที่มีคุณค่านะต่อชีวิตต่อจิตใจเช่นมันทําให้เกิดความเพียรมากขึ้นเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะเกิดศรัทธานะศรัทธาเนี่ยคือความมั่นใจอย่างที่อาจารย์ประมวลได้พูดศรัทธาเลยนะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในความเพียรของตัวเอง แล้วจิตใจมันจะกล้าแกร่งมากขึ้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแม้บางครั้งร่างกายมันจะเหนื่อยจะล้าบางทีมันก็เหนื่อยล้าตามวัยหรือว่ากําลังวงชาถดถอยตามวัยแต่ว่าจิตใจสามารถจะเข้มแข็งขึ้นได้ก็คือว่าไม่ยอมแพ้ต่อ อุปสรรคหรือความยากลาบากง่ายๆกล้าสู้สิ่งยากอันนี้เป็นลักษณะของความเพียร น, นะความเพียรภาษาบาลีว่าวิริยะวิริยะมันก็มีารากศัพท์มาใกล้เ ค, ยคียงคาว่าวีระวีระเพราะอาจฐานอาจฐานเนี่ยไม่ได้กล้าไปกล้าไปชกตีชกต่อย ใ, ใครนะแต่ว่าหมายถึงอาจฐานไม่กลัวต่ออุปสรรค สิงยากลาบากอันนี้มันเกิดจากการสะสมนะสะสมเรียกว่าสะสมก้าก็เป็นวิธีหนึ่งคือการที่เราได้ผ่านความยากลาบากมาครั้งแล้วครั้งเล่าสะสมประสบการณ์ที่ผ่านความลําบากมาอย่างที่พูดเมื่อวานมันก็ทําให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็อดทานอย่างเช่นหลายคนก็จะเพราบว่าทางไกลๆเนี่ยกลัวต้อยลง แต่แรงๆอากาศร้อนๆน่กลัวน้อยลงก้าที่จะไปเดินลุยไปข้างหน้าอันนี้เรียกว่าเกิดวิรยิยะนเกิดความอาจฐานไม่กลัวอุปสรรคและใจที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นใจที่เป็นที่พึ่งปาาศัยของเราได้นะเราเคยได้ยนคําว่านะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว กายของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจนะถ้าใจเราอ่อนแอกายมันก็ไม่ไหวถ้าใจไม่สู้นะกายมันก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาดือด้อๆหรือแม้ไม่ชนะมันก็ยอมแพ้ต่อความเจ็บป่วยความเหนื่อยความเมื่อยแม้เพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าใจมันไม่ไม่สู้เสร็จแล้วแต่ถ้าใจสู้นะ โมกายนี่มันก็มีเรื่องมีแรงนะเช่นเรียกว่าถึงไหนถึงกันก็ได้นะั้งที่มันก็ลาเต็มทีแล้วหรือว่ากรอบเต็มทีนะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะัมันมีฝรั่งคนหนึ่งนะขับเครื่องบินเครื่องบินเป็นเครื่องบินเล็กนะปบอกว่าเกิดตกนะเกิดตกอ่า แถวเทือกเขาแอนดีสนะแถวอเมริกาใต้แอนดีสที่มันเป็นเทือกเขาที่สูงมากนึกภาพหิ ม, มาไลเนี่ยนะมันประมาณนั่นแหละคือหิ ม, มากเยอะไปหมดเลยตกลงไปเนี่ยก็โชคดีที่มันเป็นกองหิน ม, มากก็ไม่เกิดแรงกระแทกหรือว่าเกิดไฟลุกท่วมมากรอดตายนะแต่ว่าปัญหาคือจะเอาตัวรอดได้อย่างไร พระ ม, มีแต่ภูเขาทั้งนั้นเราก็ต้องเดินนะเดินก็ไม่รู้ที่รู้ทางแต่ต้องเดินนะเพราะถ้าอยู่ก็ตายแน่จะรอให้ใครช่วยเหลือก็ไม่ได้ก็เดินลุยหิมะไปหนาวก็หนาวเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเท่าไหร่เลยอาหารก็ไม่ค่อยมีตกถึงท้องเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีมันก็ลุพาลุยสามวันไม่รู้สามคืนด้วยหรือเปล่า พอถึงวันที่สามนี่มันหมดแรงแต่ก็รู้ว่าถ้าหมดแรงยอมแพ้นี่ตายแน่ก็พยายามรวบรวมกำลังใจฝืนฝืนเดินก็เดินไปได้สักพักไม่กี่ร้อยไม่ก็หมดแรงตอนนั้นก็รู้ตัวเนี่ยคงไม่ไหวแล้วตายแน่ก็ยอมตายนะ เพราะมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ล่ำลาลูกเมียอยู่ในใจสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตายตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือหาศพได้ยากและถ้าหาศพได้ยากเนี่ยลูกเมียก็จะไม่ได้เงินประกันชีวิตเพราะว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ครอบครัวแล้วก็ต่อเมื่อพบศพวัแล้วก็ แน่ชัดว่าตายแนะ่แต่ถ้าพบศพหาศพไม่เจอนี่ก็ต้องรอนะถึงสี่ปีนะกว่าศาลจะตัดสินว่าเป็นบุคคลสาบสูญน ะ, อะพอศาลตัดสินแล้วละบริษัทประกันถึงจะจ่ายเงินให้ครอบครัวแล้วก็นึกว่าโหยถ้าให้ลูกเมียรอถึงสี่ปีนะกว่าจะได้เงินประกันชีวิตนี่คงจะลำบากแน่ดูเลยอยากกันนั้นเลยนะ เดินไปอีกหน่อยแกเห็นร้อยเมตรข้างหน้าเนี่ยมันมีหินก้อนใหญ่ยอยู่ก้อนหนึ่งนีก็คิดว่าเนี่ยจะตะเกลีกายขึ้นไปไปนอนตายบนหินก้อนนั้นแหละเผื่อว่ามีเครื่องบินมาตามหาเนี่ยก็จะพบศพได้ง่ายอ่ะแล้วลูกเมียก็จะได้เงินประกันชีวิตจะได้ไม่ต้องลําบากเมือ่อหลักของครอบครัวตายไป ก็ตะเกียดตะกายนะไปจนถึงหินก้อนนั้นแหละแต่แล้วเนี่ยนะบอกว่าเลี้ยวแรงมันกลับมาจากเดิ น, น่ที่เดินตะเกียดตะกายไปถึงหินก้อนนั้นเนี่ยระยะทางร้อยเมตรบอกว่ามีแรงเดินต่อไปนะอีกเก้าสิบกิโล <c oughs> ก็ไปเจอชาวบ้านเขาก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ แน่นอนนะร่างกายเนี่ยคงจะบอบช้ำเต็มทีระหว่างนั้นเนี่ยเราที่เดินตะเกียกตรกายมันก็คงทั้งหนาวทั้งลาแล้วก็ทั้งปวดนะเ น, เนกายนี่มันมันแสดงทุกเต็มที่เลยแต่ใจเนี่ยใจมันมันเกิดมีเรื่องมีแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมาจะเป็นเพราะความรักลูกเมียนะหรือเพราะเชื่อว่าถ้าใจสู้แล้วเนี่ยมัน มันก็ไหวนะกายมันก็ไหวนั้นใจนี่ยมันสำคัญมากนะกายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจนะถ้าใจสู้ะกายมันก็ไหวแน่นอนมันก็มีขีดจํากัดนะแต่ขีดจํากัดของกายเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้เรากามันแค่ไหนอย่างผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะเขาก็นึกว่าแค่แตะเกียตะกายไปร้อยเมตรเนี่ยมันก็สุดสุดขีดแล้วนะถึงขีดจํากัดของกายแล้ว งแต่ไม่ใช่นะกายนี่มันยังมีเรี่ยวแรงที่จะรีดพลังงานทุกอย่างเนี่ยไอ้ตัวที่เรียกพลังงานของกายไม่ใช่อะไรคือใจมันจะรีบมันจะเค้นพลังงานนะทุกหน่วยเลยเนี่ยของร่างกายออกมาทําให้สามารถจะเดินไปได้เก้าสิบกิโลอางจะพูดได้ก็ได้ว่านะเจออะไรนี่ก็แพ้ใจทั้งนั้นนะไม่ว่าเป็นระยะทางไม่จะอุปสรรคขึ้นอยู่ว่าเป็นใจแบบไหนนะ เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะปเป็นโรคหัวใจแล้วก็ต้องผ่าตัดใหญ่อายุก็ไม่มากนะสี่สิบเธอเป็นเจ้าของกิจการนะระดับเป็นร้อยล้านนะแล้วก็รู้ว่าการผ่าตัดนี่มันก็มีโอกาสที่จะไม่สำเร็จในช่วงที่ขึ้นไปเนะข้าห้องผ่าตัดเนะี่ยอายุบนเตียงแล้วนะ แล้วก็โดนรมยาสลบแล้วเนี่ยลึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ฝากฝังเรื่องสำคัญแล้วก็สั่งเสียให้กับลูกน้องกับพี่น้องนี่เรียบร้อยไปแล้วกับลูกน้องคนสำคัญนี่ยังไม่ได้สั่งเสียไม่ได้อ่าฝากฝังเรื่องสำคัญเอาไว้บอกว่าไม่ยอมสลบนะไม่ยอมสลบเลยหมอนี่แปลกใจมากนะแกกังวล น, นะ ในสุดท้ายต้องขอยืมโทรศัพท์มือถือของหมอผ่าตัดมนาะโทรศัพท์ถึงลูกน้องสั่งเสียเสร็จพอสั่งเสียเสร็จนะ่ะไม่ทันขาดคำเลยนะสลบเลยหนะัวใจของเรานี่บางทีอยาสลบก็สู้ไม่ได้นะมันยอมแพ้ให้เรามั่นใจนะให้เรามีศรัทธาในใจของเรานะว่ามันจะสามารถเนี่ยนะ ลากพากายของเราเนี่ยให้คืขยืดขยับกายของเราเนี่ยมันมีความสามารถอย่างที่เรานึกไม่ถึงนะแต่ก็อยู่ที่ใจด้วยนะถ้าใจสู้เนะี่ยมันก็ทําสิ่งที่ยากได้กายเนี่ยนะแตะที่จริงเนี่ยที่เราผ่านมาสามวันเนี่ยนะมาถึงวันนี้เนี่ยมันง่ายเลยนะเพราะว่าระยะทางมันสั้น กว่าสามวันก่อนใครที่เดินผ่านสามวันแรกมาได้เนี่ยวันนี้ก็คล้ายๆเป็นการเดินเล่นนะ <c oughs> คล้ายๆเดินเล่น ท, ทั้งนั้นที่ยังต้องเจอความร้อนเจอความเหนื่อยแล้วก็เจอความปวดสามรสชาตินี่นะมันมันสลับกันมานะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ปวดแต่บางทีก็มาพร้อมกันเลย ข้างบนเนี่ยร้อนนะลุกแดดเผานะข้างล่างนี่เจ็บนะเท้าเดินโดยบางคนที่ถอดรองเท้าโอมันเจ็บทุกก้าวเลยนะแล้วตัวนี้ก็เหนื่อยนะแต่พอใจนี่มันใจมันสู้นี่มันก็ ม, นกมันก็ไหวก็สามารถที่จะพากางเราเนี่ยเดินไปกับเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนข้างหน้าก็ดึงเรา ให้ขยับขาเพื่อนข้างหลังนะก็ดันเรานะเขาไม่ดันเราด้วยด้วยมือนะแต่ว่ามันเป็นความมันเป็นการกระทําของเขาการที่เขาเดินไม่หยุดเนี่ยมันก็ทั้งดึงเราให้เดินไปข้างหน้าแล้วก็ดันเรานะให้ก้าวต่อไป แต่วก็ตามใจสู้อย่างที่ไม่พอน ะ, อะมันก็ต้องมีวิธีการวางใจอย่างที่ได้พูดตั้งแต่วันแรกๆว่าเนี่ยให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจุดหมายอยู่ไกลเนี่ยใจอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าถ้าใจเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางหรือว่าไปเฝ้ามองชะเงือหาจุดพัก มันจะทุกข์เลยนะเพราะมันมีความรู้สึก ข, ขึ้นมาเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแล้วพอรู้ว่ามันยังอีกไกลเนี่ยหรือยังมองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาหรือเกิดความท้อและตรงนี้แหละนะมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจทําให้ใจไม่สู้พอใจไม่สู้แล้วกายก็ไม่ไหวมันตัวส่วนกา ก้าวขาแต่ละก้าวเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องฝืนอย่างมากแต่ถ้าใจเราไม่บัทอนตัวเองนะก็คือมาอยู่กับปัจจุบันให้ถือหลักว่าเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าให้ท่องคาถาว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเทา้าจุดหมายไม่ไอยู่ที่ข้างหน้านะจุดหมายที่ปลายเทา้าสิ่งที่เราทําคือให้จุดให้ปลายเท้าเราขยื่นไปเรื่อยๆขยื่นไปเรื่อยๆ เพราะถ้าปลายเท้าเราไม่เคยเยี่นขยับเนะี่ไม่ถึงปลายทางนะ่ปลายทางจะถึงได้ก็ต่อเมื่อปลายเท้าเราขยับให้ความสําคัญกับปลายเท้านะอย่าไปสนใจปลายทางมากลืมมันไปเลยก็ได้ให้ปลายเท้าเราขยับไปเรื่อยๆที่เราก้าวที่เราก้าวบางทีอย่าเพิ่งไปคิดว่าอีก1กิโเมนี่จะไหวไหมแต่ให้นึกว่าก้าวข้างหน้าหรือก้าวต่อไปเราไหวไหมถ้าก้าวต่อไปเราไหวก็ก้าว ทีแรกก็ขวาก่อนเสร็จแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายอถ้าใจอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็เดินไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ถึงแน่ยอมรับนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่าผลักไสไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเช่นแดดร้อนทางไกลหรือว่าทางที่ชันหินก็เยอะนะยอมรับมัน เช่นเยวเวลาถึงที่พักห้องน้ำมีน้อยต้องต่อแถวเข้าคิวคิวยาวก็ยอมรับมันเราจะพบเลยว่านะสิ่งที่ทิ่มแทงเผาลนจิตใจมันก็จะลดลงใจเราก็จะเป็นปกติได้ไดง่ายขึ้นยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข้างนอกอย่างเดียวนตะข้างในด้วยเพราะบางทีมันก็มีความหงุดหงิดมีความโกรธมีความท้อ ก็แค okay. ดูมันเฉยๆดูมันเฉยๆเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อมัเขียนบอกว่า เ, เห็นอย่าก็าไปเป็นคะือทั้ทงที่ทั้งกรชับว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยนไม่ที่ไม่ผักใสเพราะการผักใสไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกหรือข้างในมันคือเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจนะถ้าใจไม่ผักใสใจนิ่งสงบเป็นปกติมันไม่ทุกข์อ่ะจิตทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันดิน้นดิ้นเพื่อจะเอาหรือดิ้นเพื่อจะผัก แต่ถ้าใจเราไม่ผลักไม่ใส ย, ยอมรับมันได้ใจก็จะเป็นปกติคือไม่ทุกข์อันนี้รวมถความปวดที่เกิดขึ้นกับกา ย, ยนะความปวดความเมื่อยนะแล้วก็รู้มันเฉยๆดูมันเฉยๆอย่าไปผลักสามันเพราะยิ่งผลักสใจก็ยิ่งจดจอ่อแล้วพอใจจดจ่อยความปวดมันยิ่งปวดมากขึ้นก็แค่รับรู้เฉยๆ แต่เพิ่งไปดูมันนะคนที่ยังไม่ยังเจริญสติไม่ไม่แข็งแรงเพียงพอไปดูความปวดไม่ได้ก็แค่รู้แบบชำรลืองก็พอแล้วหรือว่ามารู้ใจแทนว่าคือถ้าใจมันบน่นว้ายๆผักใส่อะไรก็ตามก็แค่รู้แล้วกลับมาเฉยๆกับมันนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในไม่ว่ารอบตัวนะหรือว่าในตัวเราแล้วก็อันนึงที่ อยากจะเสริมนะัคือว่าลองทําใจของเราให้นุ่มนวลนนะด้วยการรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆขอบคุณต้นไม้ที่ให้ร่มเงาระหว่างทางขอบคุณเมฆนะที่ช่วยบังดวงอาทิตย์ไม่ให้มันแผดเผาเราร้อนเกินไปขอบคุณลมนะที่พัดมาบรรเทาความร้อนให้กับเราขอบคุณชาวบ้านนะที่ ให้อาหารหรือว่ามารอให้น้ำดื่มกับเรากลางทางพยายามขอบคุณนะสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาบนเส้นทางของเราขอบคุณร่างกายที่มีเรื่องมีแรงที่ยังให้เราได้พึ่งพาอาศัยที่ขยืนขยับแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะละแว่าจะปวด มีอะไรที่เราต้องขอบคุณมากๆแล้วถ้าเราขอบคุณนะใจจะรู้สึกนุ่มนวลอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างหรือว่าไม่ร้อนรุ่มแข็งกระด้างเพราะว่ามันออนเหี่ยวไม่มีน้ํามาช่วยชโลมน้ําในที่นี้เนี่ยก็คือน้ํา ใ, ในใจนะหรือว่ารุ่มร้อนนะเพราะความโกรธความหงุดหงิดแต่พอเราขอบคุณสิ่งต่างๆ ธรรมชาติผู้คนขอบคุณตัวเราขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะที่เป็นกำลังใจกับเราที่เอื้อเฟื้อเกอื้อกูลเราเนี่ยไอความรู้สึกดีๆแบบนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำที่มันจะคอยชโลมหรือคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเราสังเกตไหมสองข้างทางนี่นะแม้ว่าแดดจะร้อนยังไงเนี่ยแต่ต้นไม้เนี่ยข้างทาง มันยังเขียวเลยไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยบางทีก็เป็นไม้ล้มลุกมันเขียวได้ไงทั้งที่มันเจอแดดแผดเผาไอเราเนี่ยังมีโอกาสได้หลบอยู่ในร่มเงาแต่ต้นไม้นี่เจอแดดเต็มเต็มเลยแต่ทำไมยังเขียวทำไมไม่แห้งกรอบต้อเพราะมีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดเวลาน้ําหล่อเลี้ยงใบน้ําหล่อเลี้ยงลําต้นน้ำนะที่ มันดูดมาจากรากจากดินแล้วก็มาหล่อเลี้ยงทำให้มันเคี้ยวทั้งที่โดนแดดแผดเผาตัวเราก็เหมือนกันนะถึงแม้เราจะโดนแดดเผาแต่ใจเรานี่ยังสดใสเบิกบานเพราะมันมีนะน้ำน้ำที่มาหล่อเลี้ยงใจอันนั้นก็ได้แก่ความรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ หรือผ่านเข้ามาเพื่อที่จะเกื้อกูลเราพยายามเปิดใจที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมีอะไรขอบคุณเยอะเลยนะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรือเพราะเราจ้องมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบๆแดดร้อนทางไกลพอเรามองเห็นแต่ลบๆเนี่ยมันก็จิตใจก็ห่อเหี่ยวแต่พอมองเห็นสิ่งที่ดีๆที่เกื้อกูลเรานะเรา เราเกิดความรู้สึก ข, ขอบคุณถ้าเราใจเราเนี่ยมีความรู้สึก ข, ขอบคุณสิ่งต่างๆแม้กระทัง่งร่างกายของเราเพื่อนที่อยู่รอบข้างชาวบ้านที่อยู่กลางทางแล้วต่อไปจะขอบคุณไนดะ้แม้กระทั่งแสงอาทิตย์นะแสงอาทิตย์เราก็จะขอบคุณนะที่มาทําให้เราเข้มแข็งกล้ากแกร่งทําให้เราได้กลายเป็นคนใหม่นะอย่างที่พูดเมื่อวานว่าความร้อนนี่มัน มีคุณค่าที่สร้างคุณภาพใหม่ให้กับสิ่งต่างๆซึ่งก็รวมถึงเราด้วยจิตใจของเราต่อไปเราก็จะขอบคุณแสงแดดนะขอบคุณความหนาวแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราก่อนนะลมเงาของต้นไม้ลมเย็นเย็นเมฆที่บังแดดให้เราชาว บ, บ้านที่หาน้ำให้เราดื่มเพื่อนที่เอื้อเฟื้อเรา บางทีรอเข้าคิวเขาเห็นว่าเร า, เ, าเลขด่วนก่อนเขาก็เปิดทางให้ อ, อันนี้ก็ขอบคุณเขา <c oughs> มันจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเราแม้ว่ารอบตัวจะร้อนก็ตามสำหรับคนที่ต้องการอจจะฝึกใจนะก็มีคาถาหนึ่งนะที่ใช้กับธรรมญา ต, ตาอยูนะ่แทบทุกปี มันช่วยทําให้ใจเรานี้ไม่ไปพุ่งอยู่กับข้างหน้ามันช่วยทําให้ใจเราสู้นะไม่ห่อเหี่ยวไม่ท้อแท้ทําให้ใจเราเนี่ยนะสู้อยู่เสมอคตานั่นคือขวาทนได้ซ้ายสบายมาก <c oughs> ทำเอาไว้นะขวาทนได้ซ้ายสบายมากนะเวลาเดินก้าวขวาก็อ่ะบริกรรมไว้ขวาทนได้ทนั้นไม่พอนะ ซ้ายสบายมากฟังเสียงกลองก็ได้เราจะเสียงกลองมันจะบอกเรานะ <S <S เสียงกลองมันจะตะโกนบอกเราตลอดเวลาว่าขวาทนได้ซ้ายสบายมากลองฟังสเสียงกลองดีๆเราจะได้ยินเสียงนี่แหละขวาทนได้ซ้ายสบายมากนะแล้วใจเรามันก็จะมีกําลังขึ้นมาทันทีนะว่าแต่เดินเลยนะแม้แต่วิ่งก็ยังวิ่งได้นะเหมือนกับเด็กๆที่เราเห็นเขาวิ่งอยทั้ทงข้างหน้าข้างหลังก็ลองเอาไป ทำดูนะไม่ว่าจะเป็นใจที่อยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นใจที่รู้สึกขอบคุณทุกอย่างยอมรับทุกสิ่งแล้วก็ทนได้สบายมากนะไม่ว่าทุกครั้งที่ก้าวเท้าซ้ายหรือขวาก็ตามอาชานี่พึงทานี้นะอา้าวกระพราพร้อมกัน